เอาบ้านอาตมานั้นเขาชอบเรียกเจ้าพ่อเข่าสิงขอหวยขอเบอร์กันอาตมาเห็นเจ้าพ่อแสดงอาจารกิริยาต่างๆเช่นแลบลิ้นปริ้นตาอาตมาเห็นว่าลิ้นนี้ออกมาเสิบคืบการเข้าทรงนั้นวิธีเข้าเราไม่เห็นเพาเป็นกายคลิปแต่วิธีแสดงออกของคนถูกเจ้าพ่อเข่าสิงนั่นพูดก็รอบเสียงธรรมดาอาตมาอยากทราบว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อสิงเปล่งลิ้นออกมาดึงลิ้นออกมาหรือหรือยาวอย่างนั้น อ่าเรื่องเข้าตรงนี้เป็นเรื่องสอบยากครับในกรณีมีการตรงร้อยลายนะฮะจะมีกายคิดมาตรงจริงๆอะสักสองลายมั้งอีกเก้าสิบแปดลายน่ะเป็นทิดหนืไทยประกุดขีดตัวเองประกุดขีดตัวเองอีกเก้าสิบแปดรายเนี่ยเพราะงั้นเรื่องตรงนี้เราต้องระวังบางทีในรายที่มีกายคิดมาเข้าตรงอีกนั่นแหละกายคิดเนี่ก็หลอกหลอกคนไม่กันึง คือพวกผีตินลงติงสามเนี่ยใจคิดท่านเรวเนี่ยอาว่าโซอินมาโซก็มีอ้าวว่าโระพรมมาโซก็มีอินพระพรมที่ไหนจะมาโซใจกระเลววารล่านมนุษย์ถึงไหนอย่างนี้มาโซทํานมาใกล้โลกมนุได้ทําหนี้มนุษย์ตั้งลอโยอดอยากตินไอมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์อโยอดเหน่งเ็ีแล้วทําไมมาโซงอ่ะมันมาโซงราลอยไปอินพระพรหมน่ะท่านเป็นสุคุมารชาตกินอาหารคิดอยู่ทิ ที่ท่านมาในโลกมนุษย์ทั้งพุตาเจ้าบ่อยๆเนะ่ยเขเพราะกลิ่นของสีเน่ยไปพวนลมกลิ่นของสีเนะ่ยฟ า, ารเยอะั้างนั้นแล้วก็ท่าน พ, พุทธเจ้าก็ทรงประชาชนคิด อ, อยู่เป็นประธานเพราะนั้นเทวดาท่านสูงสูงจริงมาเฝ้าพระ อ, องค์กลิ่นสีไปพวนลมกลิ่นสีกตกกลิ่นเหม็นของมลลนี่มาเฝ้าเพราะนั้นอาเทวดากายคิ่ที่จะมาติดต่อติดต่อกับมนุษย์นะเราต้อง เราเชื่อได้เฉพาะในกรณีที่ว่ามนุษย์คนนั้นอย่างน้อยต้องได้ทานสมาบัติถ้าได้ทานสมาบัติแล้วมาพูดกับเราเราเชื่อว่ามีกายคิดปฏิติตต่อด้วยถ้าไม่มียังยังยังก่อนอย่าเพิ่งเชื่อครับส่วนมากเป็นกรณีฮิปโนไทป์สะกดตัวเองสะกดตัวเองโฮิปโนไทปเนี่ยสําคัญนะที่สะกดตัวเองเนี่ยแล้วก็ทำอะไรต่างๆที่ที่ปกติธรรมดาได้ฮิปโนไทเนี่ยหรือถ้านากว่มีกายคิดมาเข้าจริง แล้วผูา้กายคิดนั่นมาห้าว่าเป็นพระอินทร์พระพรหมหรอก็ก็เป็นกายคิดชั้นต่ตําๆมาหลอกเราไม่ใช่กายคิดจริงๆมาหลอกไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมมาจริงหรอกเพราะนั้นพวกขี่โบยมากมาเข้าทรงกับมนุษย์เนี่ยถ้ามาจริงนะเป็นเทวดาชั้นลูกกับเทวดาปุ่มเทวดาไม่ใช่เทวดาชั้นสูงครับที่มาเข้าทรงน่ะไม่ไม่ไม่ใช่เทวดาชั้นสูงเออเราอยากชนิดมาใบ่ถหงมาบอกหวยนี่ด้วยจริง สิ hmm. ่งสงสัยใหญ่ิ่งสงสัยใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าจะมาเก้หรือมามาจริงแต่ทั ress ress> produit, ้งนั้นทั้งนี้กายชิดสีมาทรงน่ะกายชิดบางกายชิดก็ไม่ใช่เป็นสาวิี่ก็มีนะเพราะตายชิดิีไม่ได้สึบมีสืบทาสมุ่งอะไยก็มีแม่บนมนุษย์เราเห่แหละมนุษย์ที่เป็นสาวที่ชนก็มีมนุษย์ที่เป็นอันธพาลก็มีเพราะนั้นกายชิดสีเป็นอันธพาลก็มีไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบางทีไม่ใช่กายชิดเขาได้สรงเป็นพวกเปรตอสุรายมาทรงก็มีมีเหมือนกาันมีกระพุญะน กายทิพที่ดเช่อพูกจะพ่อเจ้าพ่อหงสสูงเนี่ยมาทรงก็มีอย่างเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยจริงเจ้าพ่อหลักเมืองในเวลามาทรงแล้วพวกนั่งทางในตรวจดูเห็นตรงกันหมดมาในรูปทรงอย่างไรก็รูปทรงอย่างนั้นใส่เสื้อผ้าอย่างไรจริงเจ้าพ่อหลักเมืองเท่านเป็นกายทิพย์ชั้นสูงเป็นภูมเทวดาชั้นสูงมีศีลธรรมสูงเนี่ยแล้วก็มีท่านผู้หนึ่งนั่งดูบอกาเจ้าพ่อหลักเมืองชาตอนเป็นพระเป็นพระสงฆ์เรานีงแหละพราะงั้่เป็นเป็นเป็นพระสงฆ์ทง แต่ว่าอย่างขนาดจะพ่อหลักเมืองจะพ่อเขาตกนี่พวกจะพอเหล่านี้นะกน็ดูมากเป็นกายคิดขั้นสูงและเป็นกายคิดที่มีศีลธรรมสูงด้วยนี่แต่ท่านก็ไม่ได้มาทรงท่อมเรื่องแล้วนะระวังพวกที่จะแอบอ้างชื่อท่านหากินหลอกโกงชาวบ้านยังมีเยอะทีเดียวระวังพวกนี้ผมรู้บอกว่าใ น, นตกรมีเรื่องทรงนี่ร้อยในร้อยลายนะ่ะมีจริงถึงสอหลาอีกเก้าสิบแายนะ่ะฮิดโนไทยบ้างหลอกเขากินบ้างสนเขากินบ้างไม่ไม่ตสงเขากินก็ฮิปโนไทยตัวเองหลอกเนี่ย จะมีจริงหึงสองหลายสองกรมีอันนี้เราก็ต้องฟังหูไหวหูต้องพิจารณามันนานแล้วทางที่ดีจะรู้ว่าจริงหรือหลอกก็ต้องรับไปเรียนวิชาธรรมกายจากวัดัากน้ามาตอนนี้นั่งดูใครฟงก็จับจับใบแล้วเอามาแก้หรือมาจริงวิชาธรรมกายแล้วเพอาะว่ัปาน้าเนี่ยเป็นวิชาที่ติดต่อสู้กายชิดได้เลยเป็นเป็นปัจจกสิทธิด้วยถ้าไปเรียนสําเร็จมาแล้วนั่งธรรมกายเข้าเห็นวิญญาณเดือดเขาเขาลังโกงอยู่เห็นไรือเปล่าจนมีวิญญาณจริงมาเข้าหรือเปล่าหรือว่าไอ้หมอนี่มันหลอกเนี่ยเห็นทีเดียว การธรรมะจริงก็เห็นรูกหลางมาเป็นนิ้มบนชายเห็นทีเดียวเนี่ยพราะฉะนั้นอาจรจะพิสูจน์เรื่องตรงนี้ติต่อพวกกายคิษเวลานี่มีทางติดต่อได้ง่ายที่สุดคือไปเรียนวิชาธรรมกายแล้วเราก็เห็นด้ยนวยตาตัวเองใครมาโกหกเราไม่ได้นั่งพิสเห็นปั๊บเลยนี่วิชาธรรมกายนะครับองค์เรียนวิชานี้ก็ทำให้ได้นะนี่อท่านเมตตาพลโลภิกษุถามมาว่าที่ว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําลายต้นเหตุให้เกิดนี้ ส่วนศาสนาอื่นเขาสอนให้บูชาพระเจา้าผู้สร้างให้เกิดมองกันแล้วจะเห็นว่าศาสนาพุทธมิสอนให้เป็นคนขาดกะตันอยู่อะจะแก้เขาอย่างไรถ้าหากว่าผู้เป็นต้นเหตุให้เราเกิดมาสุขสบายไม่มีข้าพิทุขราทุกบรารณะทุกโสตปริเทยวทุกกะระทมนักอุปายาไม่มีโรคติดต่อไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีผู้เขาไประเบิดไม่มียุงกัดไม่มีสารพัดโรคสารพัดภัยเกิดมาก็สุขขาลงตั้งแต่ต้นจนตาย ก่อนหน้านะครับที่จะอ่อนวอนกราบไหว้น่าจะสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อทา่านผู้ภาคแต่ทว่าตรวกันข้ามนี่สร้างมาแล้วไม่สร้างมาดีนี่สร้างมาให้พุกนี่ชาติพุกชาราพุกบรารณะพุกพยาพิพุกร้อยแสนพันประการอ่าอยู่ดีดก็แผ่นดินไหวอยู่ดีดก็โรคระบาดมาอ่าอยู่ดีดีก็เย็นก็ร้อนก็หนาวก็ฝนนี่ไม่สม่ำเสมอ ไอ้ที่ร้อนก็อตายที่หนาวก็หนาวตายที่เยก็เยินตายไอ้ที่ตันดาน้าก็มีน้นจะกินเลยต้องขุดน้าบาบานาหากัรทะแทะแย่ไอ้ที่มีน้าก็มากจตัวกันทาน้าท่วมตายอย่างนี้เราจะไปการบรรูได้ลงคอได้ยังไงล่ะครับการบรรยูไม่ได้หรอกแบบนี้อะต้ทํทลายเพราะน้ำท่จะาคนหนา จ, จนต่อให้ทาลาต้นเหตุอวิชาอขอเดี๋ยวอาภให้เราซุกเดี๋ยวเด้ออาจมาขอขัดจังหวะสักหน่อยขอถามปัญหาแต่สองข้อครับ เคยมาเคลื่อนนี้เคยอาไปให้แล้วเราไม่ปากว่าจะติดอาจารย์เขียนหรือเปล่ า, าตับเกี่ยวกับเรื่องการเกิดของคนเนี่ย <c oughs> คือตามปกติแล้วตับที่เกิดในครรภ์น <c oughs> ะจะต้องอาศัยการเรียกว่าใช้เอาเชื้อของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไปผสมกันแล้วจะเกิดขึ้นเป็นร่างกายได้อย่า ง, น, งนะาานั้นใช่ไหมะช่ครับในปัญจโอง ก, การใน สากพิฆานเนิลเป็นอย่างไรตามสารพิฆากํตกมด อ, อย่างนั้นกรณีตามเรื่องราวของพระเปโตชาดเนี่ยเรื่องสุวรรณสสามชาดปรากฏว่าบิดากับมารดาของสวรรณสามนี่มาเดทําการร่วมสังวาสกันเพียงแค่เอามือลูบห้องนี่เกิดตั้งคันแล้วเกิดเป็นสวรรณสสามขึ้นมาได้อันนี้เรื่องเลี่ยงอาจพอที่เราจะเชื่อถึงกันได้ไนหะว่าเป็นความจริงเรื่องชาดนี่นะครับท่านต้องทาความเข้าใจหน่อยนะเป็นเรื่องที่คนภายหลังเพิ่ ม, เ ต, มเติมมาก็เยอะข้อความข้อความรายละเอียดนะ ก้าตัวคาถาแท้ๆเราชื่อวนพุทธภาวิตตัวคาถาตอนนี้ในในภาดศมาแปลไายเนี่ยแปลเอาอัจถริยมามามากรุ่มเบื่อมากรู้เข้าไปขยายความเป็นแนวอธิบายในชาชาปกัรคาถาแต่งโดยพระสกุต้อจารย์ในสมัยพรวติ์กิาวอย่างนั้นก็เรื่องราวในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาคราวนี้ก็เอาความแน่นอนเลยไม่ได้ได้สิครับเอาความแน่นอนจากบาลีชันไตรปิฎกท่านหนึ่งก่อนแล้วก็ดูชั้นอัจฉริย น, นี้แหละทางพุทธศานาเป็นเด่นอยู่ศาสนาอื่นเพราะว่าในพุทธศาสนาเรานยมไม่แค่ปัญญาพิจารณาไม่ต้องเชื่อดาตวจตามคำทีไปแต่สนศาสนาอื่นน่ะใครไปสงสัยกล้เดียวไม่ดาบอกว่าพระเจ้าจะเอาลงนรกต้องเชื่อพพุทธผือทางพเราะพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่ทำทอมพระองค์ ก, ก็อย่าเพิ่งเชื่ออันนี้แหละเยี่ย ม, มเขาเป็นหลักเหตุผลน่นะอยาฝาดยรมว่ า, ญญาข้อนี้ น, นีการศึกษาพุศาสนานี่เราต้องใช้ปัญญา ้ที่หลือเหลือเกนเรา้วนี่มนาตมาคาถน่ัวสามทานกเนี่ยข้อความในตัวคาถาเป็นรูปสพพตไอ้ข้อความใบอกามือรูกอ้อสั่งทันเนี่ยเป็นมติขออาตมาคาถากู้สมาสมัยศตวรร่กาก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับเอามือรูกอ้อก็ไม่ใช่จะเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้แล้วแต่เราถ้าเราสมัครจะเชื่อถ้าขวินิหารล้าก็เชื่อได้บอกเปขวินิหารก็เชื่อไปนะฮะวิ่นิหารแต่ถ้าเราไม่เชื่ออวินิหารเนีววีสัยก็ไม่แแปล ก็ไม่ปแปลกผู้สัจนาก็มีึ่งเดืนไม่เชื่อก็แล้วไปเพียงไม่เชื่อแค่นี้ผู้สัสนาไม่เจ็บร้อนอะไรนี่คือคนอื่นเข้ามาถามในให้เราแล้วก็บอกเขาตบบอกว่าข้อนี้ก็เลยองอสัาอาจารย์ท่านหลขยายกว้างแล้วเราเขาเพิ่มมอีข้อนึงบอกว่านี่แหละจะเห็นข้อประเสริฐในผู้สาสน้ำคำพิในผู้สาสนาไม่มีข้อห้ามที่ไม่ให้คนสงสยัยยิ่งสงสัยยิ่งดียิ่งซักมากจะยิ่งเจ็บยิ่งอย่างแจ่มมากมีผิดกับศาสนาฝ่ายเทวานิยมศาสนาฝ่ายเทวานิยมอ่ะ ถ้าม่คุ้นสายต้อง่หน้าแลกเลยถ้าคินสูงสายถือวเป็นบาปเนี่ย <Yeah. S 1> ต่าเนี่ย <Yeah. S 1> เอาละขอบใจแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระอริยบ ค, คุลเนี่ยพระอริยบคคลชันกะโสดาบันนะเคยปรากดว่าในเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วไปสู่อบายภูมิบ้างหรือไม่ไม่ไปไม่เคยตากดเลยติ หมดแล้วแม้ว่าจ ะ, ะคุมปิดครับผลกรรมที่ไม่ดีกระทํามาในชาติก่อนๆก็ตามสนองไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมไม่ไปแล้วถ้าจะไปสนองก็เป็นสนองในสวัสดิการไม่สนองในปฏิทินิการครับท่านไม่ไม่โสดาปฏิมะนะักน่ะห้ามอภัะยะธรรมนิยะห้ามเด็ดขาดแล้วถ้าอยากสนองผลอ ก, ก, กุศลกรรมที่ทํามาตอนที่จะเป็นโสดาหนะ่ะถ้าจะสนองตัสนองในสวัสดิการไม่สนองในปฏิทิิการ ฮ <c oughs> ะมนุนครับอามีเพื่อนเดี๋ยวครับข้ ง, ขง ท, ท่านอามีเพื่อนประทานนิคถามมาอีกท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้เจ้าที่อาจารย์ตะเสียนได้บรรยายไปเมื่อสิบเนี่ยคือท่านถามว่าเรื่องไร้เจ้าก็ทราบแล้วครับเยซูเป็นลูกของใครแม่ของพระเยซูนั้นเดิมที่อะไรและพ่อที่อะไรเกิดที่ไหนเอ๋ปัญหาเรื่องนี้มีมนุคอยอ่านหนังสือเรื่องนี้เพว่ากันแล้วกันนะฮะท่านจะรู้เรื่องดี เล่นนั้นแหละเขาองิงกสูนะ่ะว่าเล่นนันแ ล, แล้วกันนะครับที่ของพระธรรมทรนพุทธโนอาณาธมาขอเรียนถามถ้าว่ามีคนนอกศาสนาเขาว่าในศาสนาเชนมีการบาเพ็ญะบาอาคือในศาสนาพุทธของเราว่าเกิดกที่ไหนให้ดับตรง น, นั้นทีนี้คนนอกศาสนาเขาว่าในศาสนาเชนพวกโยปีจำสินมีการบาเพ็ญตะบะ ทำลายองค์กําเนิดอย่างนั้นเขาจะไปได้ทิศทานไหมอ่าองค์กำหนดน่ะไม่ใช่บอกเกิดของทุกมันเป็นกามันเป็นรูปขันนะฮะทาพุทธศาสนาไม่ได้สอนไงว่าทำลายรูปขันด้วยนามขันให้กําหนดรูนามรูกําหนดรูการละทุกน่ะไม่ใช่ละที่ตัวทุกนะครับต้องละที่สมุทัยเหตุเกิดของทุกคือกิเลสปัญหาเพราะนั้นศาสนาพิเศษไม่ทำลายองค์กำหนดนี่เป็นการละทุกที่ เข้าใจแล้วแต่ว่ขาขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายต่อไปอีกว่าแล้วพวกโยคีนี่มีการบำเพ็ญศีลอย่างนั้นบริสุทธิ์อย่างนั้นบำเพ็ญอย่างนั้นเขาะจะได้สวรรค์เป็นอย่างน้อยจะได้ไหมหากว่าเขาบำเพ็ญจนถึงที่สุดไม่ถึงนี่ไปได้ที่ข้าว่าแต่สวรรค์เลยคุณมรโลกียยังไปเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเห็นความยุติธรรมในพุทธศาสนาเราศาสนาฝ่ายเทวานิยมน่ะเขามีข้อแม้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าแกจะเป็นใครก็ช่าง ถ้าแกไม่เคารพพระเจ้าของฉันไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าของฉันแม้ตลอดชีวิตนี้แกจะเป็นคนดีมีศีลธรรมทำแต่ความดีมาแล้ ว, ว, วลก็วสุขลุกตัดสินใจเราตรงนี้แหละตัดสินว่าแกนั้ถือพระเจ้าฉันหรือเปล่าปฏิบัติตามคำสั่งพระเจ้าฉันหรือเปล่าถ้าปฏิบัติตามแล้วก็ถึงแม้แกจะเป็นคนชั่วในวรรคภาษาก็ล้างบาปให้แกได้ยกบาปให้แกไปขึ้นสวรรค์ตอนนี้พวกเราอะรับไม่ได้พูดเข้าห้างตัวเองเอาสต่ได้พูดแล้วพูดกลาง เพราะวใครก็ตามถ้าปฏิบัติตามธรรมะมะนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในพุทธศาสนานี่ยธรรมะเป็นของกลางในโลกปฏิบัติตามผู้นั้นก็ไปสู่สุขติตามทาัดแท้มูลถึงตัวอย่างเช่นพวกโยคีภายนอกศาสนาอย่างนี้เขาทําฌานสมามัติเป็นโลคีฌานได้เขาก็ไปพุทโลกสิครับไปสู่สุขตินี่หรือไม่ใช่โยคีก็ตามผูุ้กชนธรรมดาเป็นพลังมั่งค่าที่ไม่ได้นัตถุพุทธก็เถอะถ้าเขามีศิลธรรมอยู่ในศีลห้าบริจาคทานสร้างโรงพยาบาเลเอ่ยตร้างมูลนิธิสงเคราะห์ อุกหพลภาพอยากจนต่างๆเอยถึงตายไปเขามันเขามัเล่นนักถือพุถึงเขาตายไปเขาก็ไปสวรรค์นี่พุทธเราตัดสินตรงที่จำไม่ใช่ตัดสินอุทิศถือหรือไม่ถือตัดสินตรงที่จำว่าแกทำกรรมอะไรมาก็ตามแกนั้นนักถึอศาสนาอะไรก็ชางถ้าแกทําดีแล้วแกก็ไปสู่สุคติแกนักถึอศาสนาอะไรก็ช่างถ้าแกทําชั่วแล้วแกก็ไปอบายไม่ใช่ตัดสินตรงที่ว่าถ้าแกเป็นพุทธแล้วต่อให้ทําความชั่วที่ว่ารังบ่าวไม่แกได้ถ้าแกไม่ใช่ถือพุทธแล้ว หากันไปทำความดีฉั้นก็เก่งกระตุกกระลกะอย่างศาสนาฝ่ายเทาวาญิลมเขาเราไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แหละเปงจุดเด่นในพิสาศาสนาปฏิสิงการศิกกรรมพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสถาคตินวิริยะวาทะกล่าวว่าความเพียรมีเป็นกัมวาทะกล่าวว่าการกระทํามีแบบอย่างนี้แล้วก็กาคาสะปะอธิรจักกาสะปาว่าดูก่อนกาสะปะอ่าลทัทธิธรรมคําสอนของสมณะพามบางเหล่าภายนอกศาสนา ที่ตรงกันได้กับคําสอนของเราก็มีที่ไม่ตรงกันก็มีแต่ อ, อย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ใช้ไม้ตะขาคตจกักตัาฑ์เรื่องบรรเนทนาบะไปเสียจากพิจารณ์ตะขาคตเห็นด้วยที่ไปจักสุอันร่วงจักสุฝามันในโทนว่าฤาษีบางเหล่านะ่ะบรรเนทนาบัตไปแล้วท่านทําการะกิริยาก็ไปสู่สุกติโลกสวรรค์ก็มีฤาษีบางเหล่บาบําเพนบาบัตไปแล้วทําการะกิริยาไปแล้วก็ไปสู่ภุกติก็มีอเมื่อเป็นเช่นนี้ ฉนายจะาคตรจริงจะกล่าวตำหนิการหินตะบะอย่างสะพุทธเจ้าถไปเสีย้ยหอยเดียวไม่ได้นี่อันนี้นะครับเป็นแสดงจุดเด่นในพุทธศาสนาของเรามาเดียววัดคนหรือตัดสินคนกรุงที่หวานักถือหรือไ ม, ม่นักถือเรงที่ตันแต่ว่าสหรับเรื่องนิพพานแล้วต้องมีขอนน้อยกเว้นนะหรือนิพพานนะถ้าปฏปิบัติธรรมภายนอกจากธมรุทศักนาและริพานไม่ได้อาก็ถามต่อไปอกว่าได้อย่างนั้นกะไพระพุทธเจ้าจึงตัสว่าอัตตะเกวานิยอคตกขอเล่า แต่ในรูปแบบจริงก็ว่าอาตมาปิบัติงานโยกโคตุกโกราอ๋อที่ว่าอ่าอาตมากิ่เรามาทำโยกโคการทำสคาิการณ์โยโคนี่นะก็เพราะเหตุที่ว่าขนทางที่จะปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ชนิดที่ต้องไม่ต้องไปทําอย่างนั้นน่ะแล้วก็ได้ผลด้วยดีอยู่จึงได้ตัดตำแหน่งสุดสองข้างคือฝ่ายสุคราชิริยากับฝ่ายมั่วโม่มั่วมั่วสมในการ วไ่ไม่ไม่ใช่เป็นทางตรงไม่จะเป็นทางสูงเลยไปแล้วก็ไปอ้อมไปคดไปเสียเวลาแล้วก็ไม่ถึงนิทานแต่ขออันนี้ก็ไม่ถึงนิทานต่างหานะครับท่านไม่ได้กำหนดว่าขออันนี้นะห้ามห้ามสวรรค์ห้ามมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้หา้ามงั้นแต่บอกว่าขออันนี้ทําไปแล้วไม่ถึงนิพานเพราะนั้นการจะถึงนิทานนะต้องทำตามมักแ8ในทุกศาสนาถึงจะถึงนิทานถ้าไปทําตามธรรมะนอกศาสนาที่ในศาสนาตามอย่างสาสาามากออกไปแค่โลกีย์ชานโคมโลกเลวะสัญญาณสัญญาภพ เท่านี้เองเลยครับที่ตำหนิตำหนิเพราะอย่างนี้ว่าทั้งสองทางน่ะไม่ไปถึงที่สุดของทุกจิตเทราะนั้นเองครับอขอบใจอาอตมาเข้าใจดีละขอบขอบใจท่านอาจารย์อาท่านท่านผู้หนึ่งถามมานะครับท่านจารุวันโนภิกขุถามมาว่ า, ามีคําโบราณกล่าวไว้ว่าบิดามารดามีมา ร, รยาทเรียบร้อยพูดจาอ่ อ, อนหวานบุตรก็มีมา ร, รยาทเรียบร้อยพูดจาอ่ อ, อนหวานถ้าบิดามารดามีมา ร, รยาทไม่ดี พูดจาหยาบคายบุตรก็มีบารยาะไม่ดีพูดจาหยาบคายไปด้วยที่อธิบายว่าบุตรมีนิสัยสันดานมาจากอดีตจะไม่ผิดกับคําโบราณไปหรือคํานี้ไม่จริงนะครับคาที่ว่าพ่อแม่พูดจะอ่อนหวานลูกก็อ่อนหวานใช่ไหมามนะ่ะไม่จริงเสมอไปเรื่องอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานนะ่ะเป็นเรื่องดัดกันได้ดัดกันนะฮะดัดกันในปัจจุบนันเรื่องสิ่งแวดล้อมไนงะกหมอกเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเรื่องสันดานไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมเลยมันเรื่อง สันดานกับมารยาอ่อนหวานเนี่ยเรื่องอ่อนน้อเป็นเรื่องกายกรรมวิจีกรรมไม่ใช่มโนกรรมสันดานเป็นเรื่องมโนกรรมอย่ามาปนกันครับอุ๊คนละอย่างเลยอท่านเจ้าอธิการทวีถามมาว่ารู ป, ปรกายที่แรกเกิดขึ้นจากน้ําเชื้อของพ่อแม่นั้นรูปที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือหรือว่านามจิตเข้ามาเกิดก่อนอยู่แล้วและทลั้งรูปทั้งนามนี้มีเหตุผลมาร่วมกันได้อย่างไรเกิดพร้อมกันเลยไม่ก่อนไม่หลัง สมือมาตัวตัวของชายตัวใดที่ไม่ตายเมืม่อผสมกับไข่ของผู้หญิงแล้วเมื่อชีวิตตั้งขึ้นในปผถมกันละขณะนั่นแหลป ะ, ะปกติุนที่ดิญ ญ, ญานก็ อ, อย่างลงพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังจังหวพะพอดีมาดีนะอ่ามีท่านจุเมทูที่ขุดถามมาว่าอาตมาอยากทราบว่าพระเทวทัตเมื่ออดีตชาติ ก็ชอบแต่จะทำกรรมชั่วและยังเป็นปรปักกับพระพูธิสัตยอีกแต่ทําไมเกิดมาเป็นคนมั่งมีและมีความสบายอีกด้วยสองอยากทราบว่าพังพรกับงูเหา่าเป็นศัตรูกันด้วยเรื่องอะไรและเป็นมาอย่างไรข้อสองนี่จํามิทราบนะครับไม่ไม่เคยปรากฏในตำนานพุทธศาสนาเท่าที่ค้นความหมาไม่มีตำนานว่าเล่าว่าพังพรกับงูเหา่านับเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะ ต้องไปถามนามักต้องไปศึกษาทางนากักจาระศัพทวิทยาอาจจะภาพ บ, บ้างก็มั้งครับสําหรับข้อแรกน่ะพระเทวทัพแกไม่ทํากรรมชัเมกเสมอไปที่ทุกทุกทุทุกชาตนะครับถ้าแกทำกรรโชั่วแล้วปฏิสมธิของพเทวทัพน่ะเป็นไตรเหิสุกะปฏิสุลทีบุคคลนาพระเทวทัพเนี่ยไม่เช่นนั้นแล้วแกจะทําฌานสมาบัติได้อย่างไรติหตสุกะปฏิสุลที่บุคคลพระเทวทัพไม่ใช่ทวิเหตุไม่ใช่เอกเหตุแต่เป็นไตรเหตุ พวกที่เป็นไตรเหตปฏิสุทธิ์นะ่ะพวกนั้นทําทางสมาบัติก็ได้ธรรมะทำผลก็ได้พระเทวทัพนะ่ะแกเป็นไตรเหตุปฏิสุทธิบุคคลที่แกเป็นไตรเหตุนะ่ะเพราะว่าในุเริาติแกไม่ได้ทําความชั่วหมดตั้งตั้งร้อยชาติตั้งพันชาติทาความดีก็มีเยอะบางชาติเกิดเป็นลึศีาเป็นอภิ ญ, ญิาก็มีพระเทวทัพนี่แหละเพราะฉะนั้นอดีตกรรมอันเป็นฝ่ายกุศลกินพามาปฏิสุทธิในราชสกุลมีความสบาย นี่และอดีตกรรมป็นฝ่ายอากุศลก็มาบรรดาในเกิดจิดชั่วอิชายสยาธ พ, พุทโธเข้านี่มันไม่รู้อดีตกรรมครับอันนี้ครับไม่จะเกิดจะเกิดด้วยฝ่ายชั่วฝ่ายเดียวท่านกิตติสาโรภิกขุถามมาว่าเรื่องของปฏิสุขีวิญญาณที่เข้าไปปฏิสุขีญญอยู่ในท้องของมารดานั้นปฏิสุขีวิญญาณจะเข้าไปทางทางไหน อาหมายถึงขับไปอยู่ในน้ำกะละละของบิดามารดาเปรียด่านี้ครับขีบใบหนึ่งไว้ของที่ท่านรู้ไหวของนะแล้วท่านส่งความคิดกับวันเอกนั้นน่ะความคิดท่านเข้าทางไหนหรือห้องสุสิที่ท่านใส่สลันกุญแจตัวท่านออกไปชุลละกังหอกแล้วท่านส่งใจเข้าไปในสุสิที่ท่านที่กุญแจน่ะความกระแสความคิดท่านเข้าท่องไหนกําแพงไหนวัตถุสุนที่์วิญญาณเข้าอย่างนั้นน่ะ ปัจิสมทิวิญญาณไม่มีเทสะมาจำกัดเข้าทางให้ได้ทั้งนั้นทะลุโปร่งหมดไม่มีอะไรต้องต้องไม่แบกเป็นช่องเป็นแนวหรือข้าไม่ต่อเหมือนคมคิดประสงค์ก็ไปในหีบในห้องในหอ ท, ท่านเจ้าอธิการสุบรรถามมานะครับอาตมาสงสัยในคําพูดว่าสันดานเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาละไม่ได้หรือละได้ยากดังนี้คําว่าสันดานในที่นี้อาตมาเข้าใจว่าจริตทั้งหกประการจะถูกคลึกผิดอธิบายให้ทราบด้วยถูกรับ วจิริษครับละสั้นดาวนี่มาชรญละไม่ได้นะครับละได้ละไม่ได้ถ้าลครั้งละไม่ได้สิลาทางกละไม่ได้ละได้มาชละไม่ได้แต่การจะละสัดาวนี่จะต้องอบรมมั้อย่างสูงเพรานั้นในค ร, รั้งพัตกาลน่ะผเป็นอริยะบุคลจริงมีมากปัจจุบันทำไมถึงอย่างนั้นเพราะสมัยพุทธกาลน่ะได้อาศัยพระพุทธเจ้าเปนช่วยพุทธเจ้าเนี่ยอาใช้กาลังจิตที่ทาช่วยเราเราเราไปฟัารพุทธเจ้าเนี่ย พระพธเจ้าแบ่งกำลังจิตมาเข้าตัวเราตั้งละ้หากซตัวเรามีส่วนช่วเดือดกำลังจิตพรุเจ้เป็นกระแสมาเข้าตัวก็ช่วยด้อยโดยทุกทางทุภาพผสมกันนะเราถึเป็นสมาธิฟังธรรมบรลุฟังธราฟังเข่าเย็นบรรลุฟังเงินทีนี้บรรลุเออลเลยอย่างนั้นแต่ปัจจุบันฟังเทพกินหัวดังหลอกไม่บรรลุฟัเทพก็ไม่ได้บรรลุฟังคนฟังก็ไม่ได้บรรลุเพราะอะไรเพราะัผู้เทศฟังเองก็ยังมีกิเลสเหมือนกันไม่มีกํานาจจิตก็ไม่มี อารมณ์ภาก็ไม่เกิดคนที่มีกระแสจิตสูงอ่ะไม่ต่สูงทีจะเจหรอกโชีในอินเดียที่ได้ทาชั้นต่ำนะนเนียม้มช่นอารมณ์รานได้ซ้ำชั้นต่ำๆยงแต่เราเข้าเข้าใกล้เนี่ยแม้ย็งเย็นสบายเลยเวลามีอารมณ์ัวในใจมีความทุกข์เนี่ยพอเข้าใกล้คนที่เขาได้ทานความทุกข์ันหายไปไหนหมดเม่ทำนีก็จะพูดให้เราฟังไม่ทำนีก็จะชี้แจงสังสอนอะไรเราเริ่ึเป็นฝุกแล้ว นี่ดูว่าลักษณะในตัวเขาเนี่ยดึงดูตัวเราถ้าจะวาเป็นแล้วก็ให้จิตตาลุทาิตตาลุทาอันเสริกะวางสงบเงจา ก, ว, ามมมมจากวิญญา้าเนี่ยแรงด้วยเสียงนี้สามารถสอยกระแสะออกมาดึงดูดในตัวเราซึ่งเป็นคนมีเหื่เต็มแปร่เนี่ ย, ยให้รู้สึกความสงบเงรยบนี่โยคีนอกศาสนายอย่างเต็มได้อย่างนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องดูอินกาปัจจุบันนี้ย่งีอยู่นี่จะปวยกราวยายกับ สมัยจการพระผู้เจ้าเนี่ยทนหมดเกลียาสวะแล้วเพราะนั้นคนที่พอเข้าขพาระผู้ดเจ้าไม่ทันจะฟังให้โอเคแล้วเพราเห็นเขาพักขเขานี่สมายแล้วไอ้ความทุกข์หรืความกลุ้มใจเคยมีมามันลหายหน้าไปไหนหมดเต็มในสมาธิอย่างแต่กะหลักเข้าใจผู้เจ้าในใจเป็นสมาธิแล้วพอผู้ดูเจ้าตั้งพระไตรสองเราเนี่ยพระอได้แผ่กระแสจิตมาเข้าตัวเราชาร์จอนจีเข้าตัวเราผู้เจ้าต่อเอเนจีจากพระอง์เนี่ยแบ่งเข้าตัวเราตัวเราหมุหมอแบตรี พานงภาพเอเมเนจีช้าเข้ามาเข้าม อ, ามอบัตรเตรียนนี้ให้าหมอบัตรเตรียนนี่มีพลังงานขึ้นมาถ้าเข้าตัวเราแล้วในขณะนั้นน่ะถึงมีพรอมะมาธิพรอมปัญญาพร้อมสมาธิปัญญ า, า, า, าก็ไม่ไดเป็นเอากาสมาธีในขณะนั้นเพราะแค่จบเป็นอ า, านหารเลยเป็นโซดาอย่างต่ำเนี่ยเป็ น, นอะไรยังย ง, งี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะพาังภาพช่วยเราตั้งขึ้นพ่อนตัวเราช่วยตัวเราเองบ้างพลังภาพช่วยเพราะผมว่าช่วยเราเป็นเยอะแยะ ไอ้ข้อนี้เ่ยครับที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมคนวิชาการยังบรรลุกันง่ายนะต้องจะบลุทีละพันทีะม่นแม่ไม่ง่ายต่อคุ้ยเข้าปากซึ่งตั้งคาถาเองคาถาเด็กก็บรรลุไปอหมันง่ายกย่างนี้นะอ๋อที่บลุกันง่ายๆเนี่ยเพราะพุกทำทกภาพแล้วนะที่ปต่กระแสเข้าตัวเรานะเราไม่เคยมีสมาธิแต่พระองค์ก็ช่อยเรามีสมาธิเราไม่เคยมีปัญญา่พระองค์ก็ช่วยให้เรามีปัญญานี่ในขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมเราก็มีถิงข้อในระดับนั้นการคิดเฉลี่ยตัวคิดเฉลี่มในนี้แล ตนอนอ น, นี้มนุษย์จะเกิดขึ้นน่ะแต่ใช่ที่พระองค์ช่วยเอะไรเราก็มารู้สิเพราะเหตุนั้นแหละจึงได้มีภาคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากการเป็การเกิดเป็นมนุษย์แล้วในทันสมัยพระพุทเจ้าอุบัติก็ยากขั้นคันสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วได้ฟังพระองค์ได้ฟังธําพระองค์ก็ดิ่นยากใหญ่ที่ยากใหย่น่ะเนี่ยตอนนีใครเมาไม่โอกาสตดธทันพระพุเจ้าฟังธํามพระุทเจ้าแล้วน้อยคนที่จะไม่ได้ป็นลูกอริยธรรมน้อยนักหนา เหตุเพราะพุทธาลุพาเขาไปช่วยพาราเทียนอิเดียนี่นี่ข้าวุฒิการนะครับในราฐปัจจุบันในอินเดียรามกิจนะหรือสีรามกิจนะใครกัดมาอินดูเข้าอ่ะคนยมา์อันก็รอวีมาเนี่ยรามกิจนะเนี่ยถ้ามองดูด้วยสทาางนอกให้เขาผบ้าผมเผ่าลืมลางเสื้อแสงในสายสายแสงจึงระเดนขาดถือหนึ่งถ้าเขาคุณบ้าแต่จะแต่ิตเมืนแรงกล้ามากทนนี้ได้อลุปอานแงกล้า วันหนึ่งในนักเกรียนมหาวิทยาลัยพาราสีชื่อว่าเกรการนนท์ใครๆกล่าเรื่อแบบว่าทนทนี้นะรากินัเรียเป็นผู้บรรลุเป็นโคีที่ได้บรรลุแล้วอุ เ, อเกรการนนต์ยกจะลองดูว่าบรนลุอะไรกันคุณลวงโลกสีบรรลุ เ, เกรกานนท์ไม่เชื่อไม่เชื่อลือตวันเทวดาลุ อ, อำนาจจิตไม่เชื่อหมดอยากจะเป็นพรายรรที่ต้องถึงท่นนี้ซหน่อยเนะอะรู้ว่าฤาษีองค์นี้มานั่งอยู่ที่บริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัย อุเหการณ์ลงก็ปราดกันมาใคนยังต้องเรียวิทยาศาสตร์ต้องการจะมาลองพูมกับไอ้ฤาษีองนี้หน่อยพอมาถึงบอกว่าเห็นตัวเองอะวางรู้สุดนี้เป็นนันไปหมดเลยมีอํานาจ ก, กระแสอันหนึ่งแล่นมาจากตัวรามกิตตนะเข้าตัวเองนะในขณะนั้นตัวเองเข้าสมาธิทันทีอุเหตุการณ์ลงมีในอำนาจของระวงัวเงเป็นที่อำนาจขอสมาธิอย่างนี้ซึนแล้วรามกิตตนะก็จังสองทำเพราะสอนจบอุเหตุการณ์ลงบรรลุธรรมบรรลุทานสมาบัติเนี่ นีเรื่องข้อพิกินในปัจจุบันเรื่องเมื่อศัพท์หนึ่งศัพท์ละเมื่อแล้วมานี้เวลานี้รามกฤษณะได้ตั้งเป็นมูลนิธิที่ว่ารามกฤษณะนิชันลูกศิษย์ของามกฤษณะตั้งขึ้นในอินเดียเป็นเครื่องสแสดงให้เห็นว่ากระแสจิตของบุคคลเนี่ยช่วยทําให้บุคคลอีกคนหนึ่งให้เข้ามาเข้าถึงกระแสธรรมได้อย่างไรเนี่ยนี่รามกฤษณะเองนะยังเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนก่อปลายจากพระพุทธเจ้าอะไรครับท่าน นี่เคยเจ อ, เอปัญหาอยู่บ่อยว่าคนที่ไม่เคยทําบุญและทําบาปจะมีทัศนคติไปอย่างไรคนที่เคยทําบุญและทำบาปไม่เคยเลยไม่เคยทําบุญก็ไม่เคยแล้วก็ทําบาปก็ไม่เคยต้นนี้อย่างคนงที่เคยบื่มพระอาหารติตครับก็อยากจะร้อยร้ายายบาทได้อันนั้นก็ก็แ ส, ส, สดงว่าทําบุญมาก่อนแล้วแต่ว่ า, วานี่ที่คนที่ไม่เคยทําบุญอย่างเช่นว่ากต่ที่เกิดมาใหม่นี่แล้วก็มาอยู่ได้สองวันแล้วก็ออกทางถูกแล้ว เขาไม่ได้ทำบทำบาปในชาติใหม่ก็จริงแต่เขาเคยทำบทำบาปในชาติก่อนฝังอยู่ในใจเขาแล้วคติฝังอยู่แล้วกะติเขาไปเป็นไปอย่างไรบ้างเออตายไปแล้วจะไปไปไหนก็แล้วแต่กรรมนิมิตคตินิมิตในตอนที่เด็กคนนี้นจะตายสิครับกรรมนิมิตตินิมิตเป็นกุศลไม่เ็นกุศลเลยครับเป็นกุศลก็ไปถูกติอกุศลก็กติเกิดตายเกิตายตัวแทนนี่ก็เป็นในร่างกายเรานงละมีชีวิตม้เป็นนะแต่มาตัวตายตัวแทน เป็นในตัวเราอยู่นี้ก็เซ็นเราเป็นเด็กคาโลกนะเปลี่ยนหมดแล้วชุดเก่าตายไปหมดแล้วตัวมันเป็นตัวใหม่นะตัวเราตัวนี้อำนาจเาติเียมันบางขั้นหน้สัญญาเนี่ยอำนติเียมันบางบางบางอนิจจ์อำนาจติเตียนมันตัวตายตัวแทนถ้ามันตัวตายมันก็มีตัวแทนเกิดขึ้นมาใหม่ตัวตายตัวแทนไอ้ตัวตายตัวแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะอำนาจโอภาสกับอาหารช่วยหล่อเลี้ยงมันไว้อ่า ท่านกถะทคุณดูที่ขุ่ถามมาว่าอาตมาอยากจะถามปัญหาจากหนึ่งข้อคำว่านิพานนั้นเป็นของที่พิสูจน์ได้ยากคือสภาพของนิพานนั้นกล่าวว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่ใช่และนิพานก็ไม่มีนามลูกแล้วยังกล่าวว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยากจะทราบ ว, ว่าอะไรเป็นตัวเสวยสุขของนิพานคําถามนี้ดีมากคําถามนี้เราจะเจอทั้งฝ่ายพวกเราจะสงสยัยไม่ใช่พวกจะยิ่ ง, งสงสัยใหญ่ ท่านอย่าได้สงสัยเลยวันพาน่ะไม่มีวินพานมีแต่ผมได้ตอบท่านแล้วว่ามีอย่างโลกไม่มีความมีของวันพานะโลกไม่มีนะความมีอย่างโลกมีในวินพานไม่มีถ้าเหตุนั้นการที่จะปธิบนติวันพานอธิบาตได้สองนายนายรับนายหนึ่งนายพิเศษนายหนึ่งนรับคือพุทธคตที่ตรัสบอกว่านินพานังตรมังทุกขังวินพานเป็นเป็นบรมสุดนี่นี่เป็นนายรับนายพิเศษ ก็อย่างที่ล่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้ะอ่าไม่ใช่ที่โน่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าไม่ถ้าปฏิเศษอย่างนั้นถ้าถ้าไม่จะปิเศธอย่างนั้นอ่ะไม่ได้จะที่อะไรใครเห็นเะเอาอะไรมาเปลีกันนิพพานจะเอาอะไรมาเปลีอะไรกันในโลกก็ไม่ได้จะหยิบสิ่งใดริงหนึ่งในโลกมาเปลีกับนิพพานก็ไม่ถูกข้าไม่กล้ามาแล้วว่าสิ่งที่โลกมีนิพพานไม่มีนิพพานอธิบาได้สองหนในรับในหนึ่งในปฏิเสธในหนึ่งในรับเฉลยพิจารณ์ที่กรัสบอกว่านิพพานนั้นประมังคุกขัง นิพพา น, นเป็นบรมสุขนี่นี่เป็นไงครับในพิเศษก็อย่างที่ว่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้นอ่าไม่ใช่ที่นู้นไม่ใช่ที่นี่ทําไม่ฏิเศษยอย่างนั้นเพราะถ้าไม่พิเศษยอย่างนั้นอะไม่ได้จะชื่ออะไรให้ใครเห็นจะเอาอะไรมาเปร ец, ียกกับนิพพานจะเอาอมาเปรียกอะไรกันในโลกก็ไม่ได้จะหยิบสิ่งได้สิ่งหนึ่งในโลกมาเปรีกับนิพพานก็ไม่ approved. ถูกภาพได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งที่โลกมีนิพพานไม่มีสิ่งที่นิพพานมีไอ้โล ก, กมันก็ไ ม, ม่มีมันเป็นอย่างนี้แหละ เพาะฉนั้นทำไมไม่ปฏิเสธเสียอย่างนี้นะว่าจะไปเอาอะไรมาอธิบายล่ะต่างคนทั้งไม่มีการระไอย่างเนี้มันก็มีทางในการอธิบายบอกว่าไม่ผานนะไม่มีอย่างที่โลกมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งหมดนี้ไม่นีนั่นแหละไม่ผ่านสิ่งที่ตอนข้ามีทั้งหมดนั่นแหละไม่ผ่านคล้ายๆคนนี้คนที่ไม่เคยกินกินหวานเลยตั้งแต่เกิดน้าไม่เคยแต่คำว่าหวานไปถามคนคนที่เขาเคยกินหวานมาแล้วบอกว่าไอหวานนี่มันรสชาติยังไงกันพอคุณ เบททื่อโถ่แหลสือมาถามหวานยังไงแต่เคยกินหวานนะไม่เคยเออาธิบายความหวานหนึ่งจฟังเข้าใจงไงดีอา้าต่อที่มาในทางมาพิเศษสิน่ะนี่นะไม่ใช่รสเปรี้ยวไม่ใช่รสบาดไม่ใช่รสเค็มไม่ใช่รสมันไม่ใช่ไม่ใช่รสผืดไม่ใช่รสตาน่านนหละรสหวาน ล, ะ ล, ะล่ะรู้ไห ม, มนี้นี่นั่นแหละคือนั่นแหละอนั่นแหละคือรสหวานเนี่ยน่นแหละคือรสหวานอธิบายอย่างนี้นี่ตเหมือนอย่างนี้แหะ อธิบายทางก็อธิบายแนวนี้คือสิ่งที่มิพานมีนะโลกไม่มีไอข้นมสิ่งไอมิพานไอโลกนี้ไม่ีานก็ไม่มีเพราะเห็นนั้นเมื่อเราไม่เข้าไปในมิพานแล้วตอนนี้เราตั้งคำถามว่ามิพานคืออะไรพระองค์ก็ต้องอธิบายในทางปฏิเสธให้ฟังว่าไม่ใช่ที่โน่นไม่ที่นี่ไม่ใช่ที่โน้ไม่ใช่่นี้นั่นแหละคือมิพานสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละคือมิพานเหมือนกับว่าไอรสที่ตรงข้ามกับขมวอกเค็มสาเกเรี้ยวตานั่นแหละคือรสหวาน อธิบายเนี่ยแล้วเราก็ต้องรับรู้ไว้ซะก่อนจนหวานม่อะไยเราไปกินวานในตัวเองนี่เรโทอย่างนี้เองนี่แหละนี่แหละนี่หละนทานนี่แหละรสหวานล่ะนี่ในย่าหนึ่งอีกในย่าหนึ่งทีอธิบายในทางรัคือในคาที่วนนิทานนางประมังสุขขังถามว่าตอนนิทานมีนามรูปแลวอาไปสวบูรณ์หรือไม่ปรมังสุขังนี่นะไม่ใช่วเวทยิตกรุกนะพระนิทานมีเวทนามีขันแล้ว คำว่าสุขที่นี่คือสุขอย่างที่ว่าม่ต้องมีตัวเฉลยสุขเข้าใจไหมครับเพราะเหตุที่มันมมีตัวเฉลยสุขนั่นแหละมันคือบรมสุขถ้าพระอาตมายังมีตัวยังอยากจะให้มีตัวข้าพเจ้เฉลยสุขนั่นแหละคืบรมสุขนั่นจะเป็นเวทนาสุขสุขภาวนายัางใช้ไม่ได้เป็นเวทยุตธสุขยังใช่ไม่ได้เมื่องจบรมสุขที่ทรงใ้ท่าบรมสุขน่ะเพราะมันไม่มีตัวที่จะไปเฉยสุขมันจึงเป็นบรมสุข ว่ามาศึกในที่นี้น่ะเป็นเพียงแต่คําเปรียบเทยไม่ใช่ไม้กอจะต้องมีตัวขับไปสูเลยไม่ใช่เป็นคําเปรียบเทยใ้ค่อยๆกลับนี้คนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยละเลยนะฮะไม่เคยขึ้นมาคัศนาจานบุบกสัตอย่างปลาในในในทะเลเนี่ยไม่เคยรู้ว่าบุบกน่ะมีอะไรเต่าตัวนึงเต่ากระตผ้ามัเป็นสัตกระเทิมน้ำาจะเทิมบก เที่ยวด บ, บก็เที่ยวเที่ยวตอลารอแล้วก็ลงลงนะปลาก็ไปถามตาบอกพี่ตาวงโบกนําเป็นยังไงกันนะพี่ตาที่มาให้ฟังหน่อยสิตาวก็อธิบาย่าโอ้ดกน้ำมันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นะเนี่ยไม่มีอย่างทีนะ้นะเนี่ไอ้ปลาฟังก็ไม่เข้าใจไม่น่าเลยดึงโบกมันจะเป็นยังไได้ยังไงเนี่ยฉันใดคาว่าบนมาสุกสมอนกันรับโบนมาสุกไปที่นี่นะ่ะโปรดให้เข้าใจว่าเป็นคาเปรียบเตยชนั้นเอง เปรีไดว่าในิพานอ่ะไม่มีเวทีจิตกระสุกเหที่ไม่มีเวเวทีจิตกสุกมันบินเป็นบรมสุขคือสุขอย่างขึ้นขึไม่ต้องมีตัว้เฉลยปราบแต่ยังมีตัวผู้เสลยอยู่ตราบนั้นยังไม่สุขนิพานยังมีตัวผู้เฉลยอ่ะคือนิพานของทามเขาําตมันนานขทามอ่ะทามก็สอนทามนักพุทธแต่ไปถามนักพุทธนิดเดียวไปเฉียดกันนิดเดียวเฉียดกันจนที่ว่าทามยังอยากจะให้มีตัวให้เฉลยสุขเหลืออยู่ คืออาตมานยังมีอยู่พุกเราสอนบอกว่าตรับได้ยังมีอาตมานตรับมันยังไม่ถึสุขแพ้นั่อแบบอาตมันใครเข้าพูดก็ว่าจะให้มีความร้อนโดยไม่ต้องมีไฟไม่ได้เมื่อมีไฟก็มีความร้อนมีร้อนก็ต้องมีไฟเพราะฉะนั้นขามอยากจะให้มีความร้อนแต่ไม่มีไฟใช่เลยด่าพุทธละดูสอให้ดับทั้งไฟด้วยความร้อนกันดับอะไรฮะ คือมัพผาน่ด้มันไม่ใ่มเป็นศาสตร์ิลปานเลยครับท่านสิ่งหมาลหมอนเป็นศาสตร์ศิลป์ผ่านไม่ใชโลกุตตระโลกุตตระจิตน่ยเป็นสวสุขชนิดมีผานยังมีชีวิตอยู่เป็นสัตว์อุาิเสสผมเข้าได้ว่าโลกุตตระจิตเป็นผู้สวยสุมีพ่านนะฮะแต่หลังจากท่าระยะ อ, องนั่นดับไปแล้วอะไรจะสวยล่ะ ต้องดักตัวนี้ดัตสวยไม่ทามมีโุตราจิตมืออยู่ไม่มีเมื่ออนุปาทิเสษะไปแล้วที่พระอธิบายนมาถึงอนุปาทิเสษะในทานหมถึงไม่ใช่ไม้ยูปเสาปาทิเสษะนะถ้าม้ถึงเสาปาทิเศษะละก่อนแน่นอนยังไม่ชี้เลอยู่นี่ครับก็เป็นตัวสวยสิดยทนายังมีอยู่นี่ครับความไปขันยังมีอยู่นี่ไม่หมายถึงนุปาทิเสษะผานหลังจากตายแล้วพี่างหลายจากตาแล้วเนี่ยเป็นบรมสุขแท้พอขันห้าที่จะมรับบากทกก็ไม่มี พระอันท่นยังมีชิ้นส่ก็เพียงสุกเพียงข้าไในนะข้างนอกพขายังทุนะเพราะว่ายังพาราฮัลกันจะขันพากันในแบบขันอยู่นี่นี่ยังหนักสือมียังไม่พาระอยู่ท่านพระครูปิยะถามมาว่าเครื่องรางของขลังต่างๆใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อนตลาดพระที่สวนโภรังกาเฉียงวัดมห า, าพาทนี้จัดเป็นเครื่องรางของขลังหรือไม่ หลวงพ่อวัดต่างๆกลูกเสกพระต่างๆได้ตัวอย่างมาจากไหนถูกต้องตามคําสอนของพฤฤระพุทธเจ้าหรือไม่อ่าสําหรับปัญหาข้อหลังนี้ก็ตอบได้เลยทีเดียวว่าไม่ถูกต้องเพราะถ้าว่าตามหลักมธมชาตละสูตรแล้วก็ผิดนะอ่าแต่ถ้าพูดตามอีกแนวหนึ่งว่าถ้าหล้งพ่อวัดต่างๆท่านทาน้ำมนต์ด้วยคาม อ, อนุเคราะห์อขอเขาด้มีความเมตตาจิตเป็นบ ร, ริจาคเล็กๆก็ไม่ผิดถ้าทําโดยหวังที่เป็นอาชีพ ยึดเป็นอาชีพตั้งจว่าจะยึเป็นอาชีพนะต่อเข้าลักษณะเป็นศีระชาณวิชาแต่ถ้าทำเดยนึกว่าสงเคราะห์เขาก็ามีทุกข์เข้ามาหาก็ทำทำทำน้ำมนต์สวดมนตสวดพรให้เขาเปเป่าเสกไปใชครับเนทุกข์โดยอาการจิริยาเป็นปุถุเกศนาอย่างนี้ก็มันเป็นศีระชาณวิชาเป็นกรุณาบุเรขารกษใส่สงเคราะห์ตัวโลกไปแต่ถ้าทาโดยตั้งใจว่าฉันยาปอาชีพละ่ะทำอย่างนี้แล้วนเงินไดงนนองรับส ก, การะลุงนองมาก็เข้าลักณะเป็นสีระชาณวิชา คิดจักพุทธพจน์ในธรรมชาสูตรโดยแท้นี่แล้วแเป็นการเศร้าองแต่อาชีพกาศมาริศิีิศีลด้วยนี่ตอนนี้ถามว่าเครื่องรางของขังต่างๆนั้นใครจะ็นผ้ทำขึ้นก่อนเครื่องรางของขังนั้นตั้งแต่โบราณมาแล้วพวกศาสนาจารย์ในศาสนาฝ่ายเทวอนิยมคิดขึ้นก่อนไม่ใช่ศาสนาพาณกโลกีเครื่องรางหมดศาสนาพวกคงก็มีเครื่องรางศาสนาโบราณดยอิยุก็มีเครื่องรางังศาสนารามณยมีเครื่องรางี่แต่พุทธศาสนาเดียวที่มานิยมเครื่องราง ท่ามันเยเนี่ยทำไมที่ที่ลงทุเขาเหรื่องรางมาใช้นเยอะแยะหล่วเครื่องรางเหล่านี้น่ะพุบเรียนแบบประจักความเพราะว่าชาวบ้านน่ะส่วนมากมันจะปัญญาชนธรรมดาสามัญเนี่ยฝกหนาพรานเขามีเรื่องรอดใจมากชาวบ้านเข้าถึงง่ายๆเขามีเครื่องรางทองค้างมีของีเสดว่าให้ป้องกันตัวคุ้มครองตัวทุบเรืจะแข่งกระชาก็ะเอาใจพูกชาวบ้านที่มันจะปัญญาชน้ว้่อนปัญญาก็ต้องชาวบ้านมาหาหลวงพ่อสิว่ามันมีอะไรคุ้มครองมั้งไหมถ้าเราไม่ให้ชาวบ้านก็ไม่ทาราะั้น พระในพุทธศาสนาก็ใช้เป็นอุปายาโคศอนไม่ใช่เป็นอาชีพนะอุปายโาโคสอนเดออุปายาโคศอนต่ใช้คำนี้ว่าอุปายากคสอนสมมติให้มีให้มีบ้างแต่ท่านถึงมาเปลี่ยนใช้เทวมนตก็มาเปลี่ยนเป็นพุทธมนแทนบรรดาพระอาจารย์ในสมัยก่อนก็องเลือกข้าวเอาบทพุทธคุณต่างๆบทพุทมนต่างๆที่มีที่มา แ, แปลกๆในพระไตรเด็กออกมาแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นมนแล้วก็ มาตกมาเสกบริษัสขานึงขึ้นลางขึ้นแล้วขึ้นลางว่ามีดีขังนะขังเพราะอะไรขังเพราะอำนาจจิตของผู้ทำถ้าผทำไม่มีอำนาจจิตแล้วเ่าคาถาสจกมันก็ไม่ขังใส่ไว้เล่ากัดูว่าชิ้นนึงไม่มีอะไรขังเพราะอำนาจจิตของผู้ทำผู้สร้างถ้าผู้สางอำนาจจิตแข็งมากสลายไอ้ของอันั้นก็ขังมากเท่านั้นไอ้เรื่องข้าของขังนี่ผมรู้ดีครับเพราะผมเองน่ะเรียนมาเยอะแล้วคือนาของขังชาทายศาสตร์น่ะไหวครูยอะครูมาเยอะแยะมาสั่งวี่หมดแล้วลงหมดปีทองสีเก่ เรหมดครอบครูบาอาจารย์อาจารย์คณะไหนเจ็งไปครอบปัมมังอิทเจตีนิสิงเหตุพิจคุณเร่อหมดแล้วก็สรางโถงองกระดานิ่งขาวขาวสั่งรัชวัตรฉันั่งเขียนเลียงเรียกเรียกเียสูดรเรียกเล่ยเนียนัตมะังพิมทุกต่างชาต่างทุ่ปยังพันต่อเมยวะจะปียังเทิดกันเจวะจะตุทังอังตุ้นภาวังบัญจมังสีระสร้างชาตังเนี่ยว่าเรียกสถาเนี่ยทำโถงเราหมดแล้วโถงปัตมะมังก็ทำมาแล้วโงพิุคุณก็ทำมาแล้ว แล้วก็เรียนผู้ประพฤตต่างๆเงร่งยันไปเรื่อยิแหเรียนมาหมดแล้วพวกนี้แล้วก็เลิกปีทองสี่เก้าเก็บอกคืนครูบาอาจารย์หมดเลยบอกถอนหมดืสีมงแมาแล้วเรียนมปแล้วเนือไม่ได้กินน้ำไม่ร้องม่งีข่าแล้วหมมึในคนอื่นเข้าตัวกัน <c oughs> อยู่ดีเมื่อวาดีนั่งานขดหลังแ ข, งขยนั่งใส่นั่งสาวกา็ท่าคนอื่นคนอื่นเขาดูเองนะสุขภาพย่าแย่อดหลับอดนอนยังเพ่งกระแสกจิตอีกอ่าสุขภาพแย่เื้อไม่ไกินน้าไม่ได้รอง อะไรก็ไม่ได้เขาเรียกขวัญข่าข้าวบุชาครูที่เฉลี่ยีบ้นทงเฉลี่ยที่บ้านมันจไม่มเสียใครเลยแต่วันที่จจะยกครูที่แม่หูหนูเออเป็ดไก่เออมะยีเออปลาเออมกม้ไายกองเป็นโบทเลยไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีกาลังก็ไปไม่ถึงก็เลยบอกเลิกถอนหมดเลยเมื่อปีสองสี่เ้่าๆนเลิกหมดทำที ข, ข้าวคมต่างๆขึ้นครูหมดปกอนนี้ไม่ได้นะครับผมเลยตั้งใจเลือกขึ้นหมดทีเดียว เห็นเลถึงยันเขาติดสบายตัวจะสั่นเท่ามขึ้นดิเดียแล้วก็นั่งตรวจดูโน้กว่าเลขยันเนี่ยใครมีรันสีสูงแค่ไหนพระเครื่ององนี้มีมีอำนาจจิตทีท่ทำนะสูงแค่ไหมใช้าทางไหนรู้หมดจับปั๊บรู้ทกเรยนี่เรียนมาด้ตัวเองลงโคพันชาติรหมดพเรียนโคพันชาตแล้วก็ล ย, ยันกัเขาแล้วก็พกทลองทีหลังรู้หมดเลยแมวถอนหมดเพราะอะไรื่อยเซนที่สุดของทุกเรียนไปแล้วตัวเองก็ไม่นทุกทีเลยก็มีเท่าเก่ากเรียนทำไม ทรวิชาพนี้ส่งไว้ทำไมครับรกีเลยก็เฮ้าเก่านี่น้าซําเลยว่เป็นที่ฆ่าชาวบ้านเขาไอเขาวาน ข, ขาานต้องทำให้เขาอ่ะพอเราไม่วมิชาทางนี้แล้วมันดังตัเองคนมาหาเองด้วยจะลดน้ำมนต์เอ้ยแล้วจะขอทํายันตาสะเพียนไปติตหน้าล้านท้าขายเข้ากันหน่อยเจาอาจารย์อย่าเริ่มยันมาหลาลาบไปอีกถูกเสียสามวันสามคืนที่ะอะไรเอาเวลามาเรียนที่ธรรมะดีกว่า หุดเยเอาเอาเอาวัมัณอะไรกันไม่เ อ, เ, มเอาเลยไม่เอาอะไรครับถอหมดเลยบอกขึ một, ้นืหมดเในตัวอ่มีรั้งเลยแมแต่อย่างนึ่งเหลืออยู่พราะเคร่ลางที่แฉท อ, มอหทมดไม่เอาหมดให้เขาหมดแฉหมดเลยแมไม่เหลือไวเลยเดินตามสายทุ่มีถีแทะเปนุตแทะดีกว่าขอประธานโทษท่านอาจารย์คนที่มีคันทีเดียวั้งสองสามคน นี่เกี่ยวกับวิญญาณกันมาเกิดหรือย่างไรอ่าทำนิสสายส่ตัวิญญาณสองดวงมาเกิดสิครับป้อนกันเลยฮะนัดกันมาเกิดสิครับนักกันมาเลยนะไม่ใช่ดวงเดีงนะถ้าสองคนกองสดวงคนต้องสมดวงคือได้ชว่าตายพร้อมกันพอดีเจอกันแล้วก็นัดนใช่ครับเนี๋ยจะมาแตกนะแล้วทีนี้บางทีก็เป็นหญิงบังเป็นชายบังนี้จจะชอบกันได้ที่จะนัดกันมาเกิดย่งนั้นได้ใช่ครับ ที่นี้ทางจิตวทิทยานะเขาบอกว่าเป็นเพราะโปรโตโซตั้งสองสตัวนี่แข็งแรงอย่างนี้มันจริงถ้าโพโตัวนี่ก็เราก็ยอมรับไงฮะบอกว่าทางพุาทหนายันรับเรื่องกายภาพเรื่องกายภาพมันรู้โปรโตั ว, ตวใช่ถ้าร่างกายเกิดมาแข็งแรงก็อานาจโปโตโซนี่ดีนะเด็กเกิดมาพ่อแม่ํายับแข็งแรงเด็กแข็งแรงนะอนาจโปโตัวอำนาจอุนาจอาหารเป็นตัวโอชที่ิดามานดาวมูลนี่สุดช่ยทางกายภาพ เรายอมรับนี่ทางท้งกุศลศาสนายอมรับขอบเป็นที่ขอบใจมาก น, านะแล้วก็ไล้อีกนิดนึงฮะนิสัยกับสันดาลเป็นของติตตามาแต่ชาติก่อนส่วนทางจิตาวิทยานันก็บอกว่าเป็นเพราะสืบมาจากบรรพบุรุษแล้วก็ได้จัดเป็นหลักวิชาอย่างนี้ไม่ขัดกันมั้ไม่ขัดครับเราถามค น, นะที่ว่าคิทยากขาบอกว่าที่สุ พ, พรรณจะบ่งเขาโยโรน่ะ จึงอยากจะถามเขาว่าอะไรเป็นเหตุให้ไายกองได้นิสัยเลวจากบรรพบุรุษนายขอได้นีสัยดีจากบรรพบุรุษในกรณีที่ว่านายกองนาขอเกิด็จท้องพ่อท้ อ, อ, อแม่เดียวกันอะไรเป็นเหตุซึ่งที่จะสารเนี่ยเชี่ยวยิญญาก็อับจนแล้วนอกจากแก้ว่าบางเองิญเนี่นนยเราย้อนทางนั้นคือเรายอมรับแบบนั้นนะครับถ้างนั้นก็เป็นที่แจ้งแจ้งว่ไม่มีอะไรท่านอาิการจำลองสุจิตโตถามมาว่าคําว่าเตซังงูฟัตสมมสุโคแปลว่า การเข้าไประนับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ย่อมนำมาเป่ความสุขอยากจะทราบว่าหมายถึงสังขารไหนกันแน่เพราะสังขารมีหลายอย่างคำนี้นะครับถ้าตามความเข้าใจของผมก็หมายถึงว่าสังขารในที่นี้หมายถึงสังขารคือขันหานี่คตาปาสิทะนี้หมายถึงอนุปาภิเสสาิพาณโดยตรงทีเดียหมายถึงอนุปาภิเสธสาริพาสังขารในที่นี้มายถึง กั็รัชกาลมันจะขั้งอยูแหละการที่มันได้ครั้งหลับไปโดยมีเชื่อเหลืออีกต่อไปนะันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยอดแห่งความบริรมสุขแล้วเป็นตั้งอยู่กับสมสุทรโขโขแล้นี่แต่ถ้าเราจะอธิบายอย่างเป็นสัจจบาลธรรมแล้วก็ถึงเคาะอุดมวทั้งขารในที่นี้น่ยหมายถึงส่วนปัญหาเจริญสิอธิบายอย่างนี้ก็เป็นบริมสุขเหมือนกันนี่เรื่องธี่4ทางออกในการอธิบายเข้าในปัจจุบันแต่เดื่นี้หาแล้สมัครคนนี้น่าจะหมายถึงอัลกุริเสทีรร่3พาน เพราะเหตุ น, นั้นขันยูมาใช้ในกรณีบางสกุลสมมุติต่อคนตายแนะล้วเอาอภิบาลไปแล้วแล้วขันยูที่มาสู่บางสกุลไม่เห็นว่าเออถ้ามาล็อกบัปปิหรือไม่ต้องเติอหมายก็องเป็นบรามฉาุกนะเ อ, อนานาทำความหมายอย่างนี้ <S <S ท่านท่านเจ้าอธิการสุบาลถามมาว่า อ, อ่อนี่นี่ตอบไปแล้วนะครับตอนนี้ ท่านอนุสรโอภิกถามมาว่าการฉันอาหารเจเมื่อเมื่อบุคคลฉันเจเป็นประจำจะอำนวยผลอย่างไรบุคคลกินอาหารมีชีวิตจะเป็นบาปบ้างหรือเปล่าอาหารเจเนี่ยคืออาหารที่เป็นมังสวิรัตนะครับคนที่เล่นพวกมังสวิรักินแต่อาหารผ่าอำนวยผลคือหนึ่งร่างกายกรบรี่กระเปล่ากินตัวก็ไม่เหม็นอุจจาระก็ไม่เหม็น เน้นจะเหลือเกินตบก็ไม่เน้นจะเหลือเกินเพราะว่าไอ้ไอ้เนื้อเหล่าหมาหมมอะนรข้อไม่มีอ่ะมีแต่ของย่อยง่ายนี่ที ด, ดาวงพวันก็ไม่ควรจะกําเรคโรคดิกรับ้อนก็ไม่มีนะไอ้เร่องข้อเสียลําไส้พิการก็เ ป, ป็นหนึระนับไปก็ะอาหารเรากินแต่ของย่อง่ายช่วยเห็นผมขาปา่าแล้วอยากกลัวาะวาดวิตามินพราอาหารแป้อาหารถั่วเนี่ยมีโปรตีนสูง แล้วลูกแขกกินดูที่เขาเลี้ยเมยสัตว์สิแหมจะระเสงอื้อ อ, อื่นแข่กินดูข้าบ้านนะแขกใครรักไปดูเอ็มรู้เอาเอ า, เอ า, เอาเมร้มันมาแต่ไหนก็ไม่รู้กินหัวเนี่กินน้ำมันถัวกินหัวกินเนยกินแป้งพวกนี้มีโปรตีนเท่านั้นน่ะผลทางจิตใจคือว่าคนรากาจรดิถ้าเลี้อาหาเนื้อสัตว์ได้จะเบาวาการทสาสมาธิจะเด่ดเสผเร็ผลกันเร่นมังสานะฮะได้ผลอย่างนี้ อันนี้ถามว่ากินอาหารมีชีวิตจะเป็นบาปหรือไม่อันนี้ก่ถ้าเป็นพระท่าทนก็บรรลุติปิโกติปริสุทธิมังสาแล้วนี่คือเมื่อที่มาเด้เห็นเขาฆ่าไม่ได้ยินเขาฆ่าไม่ได้เห็นใครฆ่าเพื่อตัวเราเมื่ออย่างนี้กินได้เป็นติโกติปริสุทธิมังสาไม่ใช่อุชิมังสากินได้นะฮะท่านที่หนึ่งถามมาว่า น, นี่พานนั้นรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ คำนี้จะหมายความว่าอย่างไรอ่าคำนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลยครับคำที่ว่า น, นี้ทานรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ไคยเจอที่ไหนครับอันนี้ฮะไม่มีครับพุทาพาติกก็ไม่มีครับถ้าจะมีก็คงจะเป็นมัตติของบางคนนะครับคำนี้เป็นมัตติของบางคนนะครับอันนี้ท่านพระอิชาอินทประโยสุราชานีถามมาว่า ทำไมจริงมีญาติน้องชาวไายหิืชาวพุทธในนามบางในนามบางเหล่าหรือบางคนในคนบางเหล่าหรือบางคนจึงหันไปเทิดูนับถือาศาสนาเอื่นทั้งๆที่ทาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่มีเหตุผลและเป็นาศาสนาประจําชาติบางเมืองของเราหรือของโตนมาตั้งแต่น ม, มนานดังที่เราเห็นสัญลักษ์หรือสัีพยานปรากฏอยู่บนผืนผ้าธงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทุกคืนวัน เราจะนับว่าเป็นพล อ, กอักาศันยูอย่างไร้แรงในฐานที่เป็นผู้บอนทํำลายทัพตุติหรือมรดกอันล้าเลิศชิ้นเอกของชาติที่เป็นพรุกรุเจ้อุตสาสุดป้าและรักษามาได้โดยยากสดได้หรือไม่กรุณาเลฉเลยเฉลยให้การแจ้งด้วยและให้เสวยงามด้วยท่านพระปิชาอินทปัญเยจังมาศุราถามม า, าในข้อนี้ท่าจะว่าไปแล้วก็เป็นความบกพร่องของดาวชาวพุทธเองที่ว่าลายชาพุทธแต่ทั้งทั้งที่เราเรื่องเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เราก็ยังปล่อยไปให้คนอื่นเข้ามาดึงพวกเราไปหาเขาเป็นการบุกรุกในการสั่งสอนพวกเราที่เราไม่สามารถดึงพวกเราไว้อยู่ไม่สามารถอธิบายชี้แจงให้พี่น้องชาวพวกเหล่านี้เขาเข้าใจซึมซาบในหลักธรรมในพุทธศาสนาแต่เป็นข้อที่น่าให้เกิว่าบรรดาอคนที่ทิ้งพุทธาสนาไปเข้ารีาพัศาสนาอื่นได้นั้นนะเป็นพวกที่ไม่รู้จักพุทศาสนาที่แท้จริงเลยเป็นคนที่มีความรู้ทางทศาสนาเลยถึงแม้จะบางคนจะเคยบวชเคยเรียนแต่อย่าลืมว่า ศาสนาอื่นเขามีอามิตรเเครื่งล่อนะครับบางคนทิ้งศานาพุทธเพราะอาหมิตอย่างนี้เราเร า, เราไม่เราไม่เสียใจยเชินไปเลยพอเห็นแก่อามิตแล้วเราเราไปอยาเชื่อกันได้ดีเดินอย่างเงี้ยไม่แตกเลยแต่ว่าคนบางหลานะ่ะทิ้งไปเพราะเข้าใจผิดว่าศาสนาของสรังมังค่านะ่ะดีกว่าศาสนาทั้งไทยอย่างนี้สิครับหน้าเสียใจยคือทิ้งไปด้วยการาใจผิดที่เข้าใจผิดนะเพราะแตัวเองนะไม่เคยเรู้นานาพทธทั้งๆเลเขาไม่เลยตัวเป็นพุ บิดามาราไมหายการอบรมทักจิงเด็กไขวัตตัเด็กแล้วก็ครอบเราไม่มีอิทธิพลที่จะไปควบคุมชี่ดิจิตารแต่ละครอบครัวเหล่านั้นคือ่ในครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งมีวัดคุกต่สามวัดแล้ววัดทุกเหล่านั้นพระราก็ดคนพระชาวบานดึงคนชาวบ้านไม่มีการไคมาหาสู่อขาดตอนกันชาวบ้านก็ไม่รู้จักพระเพราะเขารู้จักชาวบ้านอย่ า, า, นน า, น า, ยางานี้ไปต่อจากนั้นขลังก็แผลมาถึงเขาก็ดึงูนนี้ไปเด้งอ่ ถ้าแม้จะพาเราไปทำการรู้จักชาวบ้านในหมู่บ้านให้ทั่วทุกครัวเรือนแล้วก็ร้อนกันนั้นก็หาอุบายหาวิทางที่จะเรี้ยนความักจึงให้เด็กๆเยาวชนหรือคนในหมู่บ้านนั้นให้รู้จักสินข้าวโฆษณาพูดวิธีการต่างๆไม่ใช่ดวิธีเทศนาวันภาคเทพีไม่ได้ผลนะครับการเทพวันภาคเทพีนี่เนี่ยเทศเป็นธรรมเนียมเทพเป็นพิธีคนมีจะฟังรู้เรื่องฟังเข้าใจนั่นไม่มีเลยถ้าจะมีก็น้อยเป็มทีไม่ได้ผล การผู้แทนในศัพท์นับครับตราบใดยังไม่แก้ไข ย, ยังผูอแผนแบบเก่าอย่างนี้แล้วก็จรัพ์นับคังแนะ่้าไม่รู้จักลิกแพงเปลี่ยนแปลงประเทศแบบวันภาคหนเลยก็ดีแตบบ่สม็เฮสนาฮวหานสมเด็จนอนหักเนี่ยคุณฟังก็จะหลับเสียงเนี่ยแล้วก็ฟังรู้เรื่องด้วยเสียงย่นเอ า, เอากก จ, จบเนี่ยโอ้ไม่ไหวเราต้องทัเหตุการณ์ ท, ทันสมัยโลกะเทศอย่างแบบนั้นให้เทศเราซื้อระฆธรรมดาอย่างาษาฐาธรรมด า, ฐ า, ฐาให้ฟังกันง่าย ให้ฟังก Some ันอย่างเข้าใจพอเทศจบให้โยนซักว่าสงฆ์ยอะไรบ้างหรือเปล่าที่เทศหรือสงฆ์ยอะไรนึ่งล่ึ่ง่ทำมั่นคาศาสนาบ้างหรือเปล่าซักขยโนักแล้วก็คือถ้ามีชาบ้านเข้ามาเข้าวัดเขารู้สึกว่าสมทพระเดือมีโอกาสคมีโอกาสักตาอะไรเดือดไม่ใช่ทพีจบแล้วแล้วกันแล้วก็ต่างคนต่างีธรรมท่อกันเลยนกันอย่นี้ไม่ได้ผลแบบนั้นนี่ังเขาาไม่ทาแบบนี้เขาเทศยังฟาคาถาสจแล้วก็มีไปยืนก็ทุกข์หกตามบ้า เออบางทีโยมหายไ ป, ไปกระจายไปหรือโยมคนเนี้นยลูกเขาเจ็จไม่สบายไปตามถึงบ้านเดียวไเยี่ยมไปยี่ยมบ้านนะเราต้องหำอย่นั้นบักอยายิโมที่มาขึ้นกรวัดเรามาฟังเสวยบ้านเราเป็นตัวได้ไข่เยี่ยมท้งบลกลูกเต้าเมื่อ้วก็ให้โ ย, ยมพามาที่วัดมาอบรมมาครูถ้าเป็นเด็กเล็กลลเราเีมขนมนมเมลว่ให้กินเ่ให้ขนมให้ลูกจุมาวัดมาสนุกมาด็กีวของจากวัดนล้นพ่อแม่กบอ่อใจอยากจะพาเด็กมาเข้าวัดแล้วก็รู้สึกว่าวัดนา ไม่ใชเ่เป็นฝ่ายจะรับเอาแต่ชาวบ้านฝ่ายเดียวแต่ต้องจะให้ชาวบ้านเดือวกถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นประเทศเราจะทำเนียนโบราณทำเนียนแบบเทสมารา์หัานเก่าวแบบนียอีกไม่ช้าจะคนที่สัพท์นะพุทจะมากกว่านี้ครับจะทิ้งมากกว่นานี้พวกหนูพวกคกณหูไม่อยากเ้าวัดเข้ามาแล้วมีอะไรระ ม, มัดระวังเลยคุหัวหอกคุณโบกเนี่ยเขานัาเขาหายเขานน้าเลยมันนักเลยเขาบวาร้อไปแก่ ้าเขาไม่ร้สาคาไม่ได้เยมีแต่เป็นทเไม่่ัวเพราะฉนั้นเาไปเจอลังมังข้าวมาเที่ยงก่อให้ดิ้นทิ้งทุกข์ใหาเขาเขาพ้ไปอีไปข้อนึงเปลนสาคาน้ําใช้สาคาน้ำก็ังแล้นโมีแต่คนหดำข้าเข้าบวเขามาวัดทุกนหัหลอข้าบวทุกคนดหายากเปิดง่ายๆเาอกวรหัดแล้วไปทางสมัยกับบวชขลังดีกว่าพวกหัวหลาสมัยไปบวชทุก แล้วนี่มาเจอพระคำคเครื่องเรื่อสัเวนเทมาโลกาเก่าๆเคื่อเคื่ออะไรเป็นเรื่ยกมาทำบารีไม่ฟังเลรื่อใหญ่โดยการบอกทำไม่เรื่องล่กันไม่อยากฟังละเพือคุยกาบภาษาไม่ใชาษาใรันไม่ปัจจุบันเขาทำไม่รู้เลยมีแค่ไอ้ผมที่แล้วเขาได้เข้าวัดถ้ามันอยากจะใครมันอยากจะถพุ่นี้เขาสุกันงายๆผม่บอกว่าคนจะถือพุธเน่ยเลืที่จิตไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคนคนนั้นต้องศึกษาที่ศาสนาจนถ่องแท้แล้วเมื่อ๋อศัพุเี่ยโดยธรรมดีอยู่ข้อบริบุญแล้ว นี่แต่เนี่ชาวบ้านทุกวันนี้น่ะกี่คนมันมีโอกาสาทาํทาเรื่องาธรรมะการคลองชิดมันรักตัวกาคลองสิดมัรักตัวระเ้าปิฎกตังสี่สิเล่นได้เป็นท้ายจังหวัสเล่นจะนึกเราทุกวันนี้เราทํา ท, ทําทําสถิติได้ว่าชาวบ้านนะาหาพรเ้าปิกครบแปดสิบเล่นบบริบูรณ์มีบ้างไหมผมเชื่อข้าประเทศไทายนี่มลเกินห้าสบคน้านประเทศไทายพอเราี่สิ้าลานเนยมีไม่เกินห้าสิบคนเป็นชาวบ้านสามัญท่านพเ้ปิดก ตั้งแต่หน้าเต้นจกกนเงิบ้านหน้าท้าย80ดเล่มครบบริบูรณ์อ่ะหายากหายากจริงๆนี่ยว่าแต่คดีาหาดไปพ้าเราก็โซะที่จะอาา่านไม่ได้พิดกับจบแต่ตัวเรื่องนี้มาห้ครับเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมืมม่อเมื่อความรู้ภ้าเราก้องแข็ขันจะดุเข้อในทางศาสนาตัวเองอยู่แล้วอาจจะไปขี้แกงชาวบ้านก็เราก็ไม่มีทางไปขี้แกงอย่างนี้ชาวบ้านก็ขีใจกันใหญ่ใชครับอย่างนีนศาสนากาวัดกไม่มีพันท้าชาวบ้านเลยอย่างเี้ยมันขาดพันมากันแล้ว คือแต่มันทบบะเบิดเท่านันเองถือ่มันทะเ บ, บุถ้าคนไหนใจคอไม่เข้มแข็งหน่อยก็ไปไปง่ายๆเลยทิ้ทุกข์ง่ายๆถ้าเหตุ น, นั้นอ่ะข้อสคัญต้องแก้ไขเชื่อเราก่อนชื่ดอดครับต้องแก้ไขก่อนทำอย่างไร้ทําให้วัดกายเป็นสถานที่จใจของชาวบา้านที่อยากจะมาดูอยากจะมาคุยกะพระอยากจะส่งเด็กมาให้พระอม อ, อ, อันนี้สำคัญที่สุดถ้าเราแก้ที่ต๊ะเราอยู่แ ล, แล้วก็อย่าไปกลัวลยพวกตัดสิ ท, ที่มันจะมผแผลเนี่ยไม่ได้กินเราครับเนี่ย ท่านพระครูพิยะถามบอกว่าพระราชาคณะรูปหนึ่งสอนมาสอนบริษัทว่าปัเพเทธรร ม, มานาลังวิเนสุนเนสเซสยะสิ่งทั้งคงันีคนยึดมั่นเรื่องนี้มาในขั้นใจพิบดหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเถงเลยเป็นที่ปะคดเถงเลยครับแน่นอนครับสิ่งทั้งครัวนีไม่นคนยึดมั่นจริงครับเพราะว่าแม้แต่นิทานยังยึดไม่ได้นะครับในโมลปริยาสูตรสูตรแรกเขางม่ใช่มรรคกายนอะโมล่ปริยาสูตรสูตรแรกของม่ใช่มรรคกาย พระมุทธเจาแสดงบอกว่าพิษุผู้ปฏิบัติธรรมในถาสนานี้เมื่อได้มีทานแล้วก็ไม่ไม่มีใจคุยทานหมายมีทานว่าเป็นมีทานหมายความว่าไม่ใจยึดถือว่ามีทานเป็นของเัวหมายความอย่างนั้นหรือกูไม่ได้นีทานสามดายมีความรู้สึกวาเพราะว่ากูไม่ได้มีทานมีทานในของกัวยังมีหาหารอยู่ในอาหารอยู่เพราะนั้นเมื่อได้มีทานแล้วแม้ความยึดถือว่ามีทานเป็นมีทานก็ไม่มี ก็ย่ว่างหมดนันแหลถึงจะม่ีฐานไม่ผีฐานพอครับแต่ว่ออันนี้สูงมากนะข้ออันนี้ยังยังเราจะจะไปอธิบายเราจะดูบริษัทจะจะเทศปัญหาข้อนี้ชาวบ้านเท ธ, ธรรมดาห้ามเทข้อนี้อย่งางาดี๋ดีจะเข้าใจผิดเป็นการใหญ่ดีเลยดีดร้ยงั้นเลยึดหมดเลยไม่ต้องคิดไม่ไหวนะถ้ามูลถักมา ก, ก็ยึดือไม่ได้เลิกกันเลยไ่ได้ไม่ได้ไไดนี่เขาสับกูนคนที่ดีมีสายงคนที่ินกินอหาฟังเทข้อนี้ได้ ยุ่จเนไปจนแล้วมีกิจจเป็นอาาแล้วมาคยเที่ยวทอดนิดาห์พวกเราเรื่องไรมเป็นอาหารท่านนั่นบ้าเท็ธรรมะข้ออื่นบ้าโกงคืนบ้าโกงคืนอันโนบุทีก็หาทิ้งเลยละท่านไม่ได้เจ้าเองว่จะฆ่าก้อนเท็จอารรมะขอนี้มาเต็มลงดูบริษัทนี้อนาคตบริษัทตัเนียแหมฟังเท็ตั้งยี่สิบปีไม่เคยฟังธรรมะเลยม้แม้แต่วันหนึ่ง เขาเม่คิดเจ้าไม้นะไม่ทำให้อนาคต อ, อนาคตมินทีกาเตถีฟังเลยไม่แสดงเลยเพราะรู้อ่ะคือด้วยหัสคนนี้เป็นผู้บริพกตามนะแล้วก็อยากนักจ่จะมันมีดวงตาเห็นธรรมอนันุตรานุอย่างนี้ธรรมะ น, นี้โดยมีสายคนทร่มีม้คาราตุบสาี ฟ, ฟังได้ไม่เทศแต่พวกอนุตุพินคาถาที่ง่ายว่าเทพเรื่องที่จะทำมาสุข ท, ทำทที่จะให้ทำไม่สบบนุกในปัจจุบันก็ทำไปนี้ก็ทำประโยชน์ให้กอาคตมินทีกาเตถีฟัง วันหนึ่งอาณาคันินทิการเจดีเจ็หนักเจ็บนักจนตแล้วพระพุทธเจ้าส่งพระชาดิบแเยี่ยงพระสมยดิบกระถาอาณาคันินทิการบอกว่าดูก่รขันธบดีท่านยังมีความห่วงใยอะไรอยู่หรือไม่แล้วก็เทศเทศเรื่องแม่ยึดถือเรื่องอายุการายเลออกทายในหกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแห่งนัำตาพอเทศพจอนณาคันินทิการเจฐีร้องไห้น้ำตาไหลผ่าพระชายดิบก็แตกใจบอกดูกรขันธบดีที่ท่านร้องไห้เนี่ยท่านยังห่วงอะไรชีวิตหรือ หรือ ย, ยังห่วงอะไรทัศมบัติท้กท่านเสอทิพบอกว่าไม่ใช่เลยท่เงินเจ้าไม่ได้ห่วงอะไรทับัติไม่ห่วงอะไรเสืิพเลยแต่ว่าดีใจเพราะไม่เคยฟังเสดุดซึ้งอย่างนี้เพิ่งมาฟังอตอนตัวตายด่แหละไม่เคยฟังเสดงนี้มาก่อนเลยดีใจแล้วก็ทำการกิริยาไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์อนาไม่รด้จัพรารีบุตรนําวาวันนี้มาเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าบอกว่าพารีบุตรก็ท้าที่ไม่เสดึงอนศาจามันทำดึงสูงน่ะ ก็เพราะเห็นว่าคนหัดคนนี้อะบริโภคการดีู่ธรรมะเป็นอนุตานีเป็นธรรมที่ยากที่คนหัดบริโภคการจะมีสิติยานอย่างไปถึงได้ที่ไม่เท่เ น, นี่เพราะนั้นธรรมะเขาจะพาสิติข้อน้เนี่ยกอนจะเท่ต้องดูบริษัทหน้าหลังให้ดีถ้าเทก่กะเป็เทศสี่มีความรู้ธรรมะสูงสูงแล้วมีมนเท่ไปไม่เป็นไรถ้าหาว่าในบริษัทนั้นมีพวกเหลื่มล้ำคกามรู้ทางธรรมะเหลื่อมล้ำสูงต่ำอย่าพึ่งเท่เทไปแล้วดีไม่ดีฟังไม่ไดีศัทจะเาไปกระเดียดจะเข้าใจผิด เล่ย์เล่ย์ทำมูลทำทานเล่ย์ก็ทำมิพามิพยยึดไปไหนล่ะอะไรก็ยึดไปได้แล้วเจ๊เลยเป็นมิพายที่ผิดไปเลยต้องระวังมือนดาวสองคมครับถ้าใช่ผิดก็ฟันทีเลย์ให้ใิดกับตัวเองจงเดนทีมันเองอังคารดิวันนี้เห็นจะพอทุกคนอย่างเวลานะฮะพอตามทุดแล้วพอจบทีเท่านี้ก่อน